วันนี้เป็นวันพระรหัสที่14กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวรรณวันฟังธรรมวันธรรมหน้าที่ธรรมธุระของ สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมในคำสั่งคำสอนของพระอรหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วได้นำเอา ทำมันประเสริฐที่ได้ทรงบรรลุถึงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังติดข้องอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือในสังสารวัฏในตายภพกามาภพรูปภพและอรูปภพ ได้มีโอกาสได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ด้วยด้วยการมอบทุระให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้นำเอาไปกระทาให้เกิดเป็นผลขึ้นมาธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธไว้ทำในวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเช่นวันนี้วันนี้เป็นวันพระตามปกติ ถ้าเป็นตามประเพณีสมัยก่อนวันพระนี้จะเป็นวันหยุดทำงานทำการกันข้าราชการก็ดีห้างร้านบริษัทต่างๆก็ดีจะหยุดทำการในวันพระกันเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างให้สาธุชนพุทธบริษัท ได้ไปวัดเพื่อไปทำธุระอันสาคัญแต่เนืน่องจากสมัยนี้เป็นยุคของโลกาพิวัตเป็นยุคที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนานาประเทศทั่วโลกซึ่งมีวันหยุดต่างกันก็เลยมีการปรับเปลี่ยน วันหยุดทำงานจากวันพระมาเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เพื่อจะได้สอดคล้องกับนานาประเทศทั่วโลกก็เลยอาจจะทำให้บางท่านเมื่อถึงวันพระก็จะยังต้องไปทำงานอยู่เช่นวันนี้เป็นวันพระซึ่งถ้าเราตามประเพณีเดิมอยู่ ก็จะต้องเป็นวันหยุดทำงานของชาวไทยเราแต่เดี๋ยวนี้วันพระนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดทำงานเสียแล้วเพราะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนวันพระของเราสาหรับท่านที่หยุดทางานในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ควรจะใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ เป็นวันพระแทนเพื่อที่จะได้มีเวลามาทาธุระอันสำคัญยิ่งกว่าธุระทั้งฝวงไม่มีธุระอนไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์เท่ากับการทาธุระทางพระพุทธศาสนาธุรกิจทางโลกเป็น สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพของร่างกายเท่านั้นเองซึ่งไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องถึงแก่ความตายอยู่ดีแม้ว่าจะประกอบธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามแต่ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจนี้ มันก็มีประโยชน์เพียงชั่วระยะที่ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่เท่านั้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วประโยชน์ที่ได้จากการทําธุรกิจทางโลกก็หมดไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากธุรกิจทางโลก ไปกับตัวเองได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆล า, า, าบยศสารเสริญสุขต่างๆนี้ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทิ้งให้กับผู้ที่ยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ใจที่ต้องจากโลกนี้ไปจะไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยจากผลประโยชน์ของธุรกิจทางโลก แต่สิ่งที่ใจสามารถเอาไปได้ก็คือผลประโยชน์ทางธุระของพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะธุระของทางศาสนานี้ผลที่ได้รับจากการทำธุระของทางศาสนานี้ใจสามารถเอาติดตัวไปได้ ใจสามารถอาศัยผลประโยชน์ที่ได้จากการทำทุละทางทางธรรมนี้เอาไปได้หมดทำได้เท่าไหร่มีมากทำได้มากได้น้อยเท่าไหร่สามารถเอาไปได้หมดแล้วก็จะไปเป็นที่พึ่งของใจต่อไปเวลาที่ใจไม่มีร่างกายแล้ว <c oughs> นี่นหละ คือประโยชน์ที่แท้จริงก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำธุระทางพุทธศาสนาไม่ใช่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำธุระทางโลกธุระทางโลกก็เป็นประโยชน์เพียงให้แก่ร่างกายแต่จิตใจนี้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ที่จิตใจต้องการก็คือประโยชน์ ที่ได้จากการทำทุระทางธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนให้นำเอาไปทำให้สำเร็จเพราะเมื่อถ้าทำได้สำเร็จแล้วจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดก็คือวิมุติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานอาริยธรรมอันประเสริฐ ที่จะทำให้จิตใจนี้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ดังนั้นขอให้เราชาวพุทธนี้เห็นความสำคัญของการทำธุรกรรมทางธรรมคือทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้แก่ชาวพุทธเราซึ่งมีอยู่สองธุระด้วยกัน ธุระแรกเรียกว่าคันธทธทุระธุระที่สองเรียกว่าวิปัสนาธุระธุระก็คืองานนี่เองงานที่ชาวพุทธเราต้องทำมีอยู่สองงานด้วยกันงานนันแรกคือคันธทธทุระแปลว่าการศึกษาวธรรมคำสั่งคงสอน ต, ต่างๆที่พระพุทธเจ้า ทรงนำมามาสั่งสอนให้สาธุชนพุทธบราศาสตร์ได้รู้จักได้เรียนรู้และนําเอาไปปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือทุระข้อที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาทุระแปลว่าการทําให้แจ้งในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติธรรมะคำสั่งคำสอนในเบื้องต้นนี้ยังอยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติยังไม่ได้เข้ามาในใจยังไม่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ใจได้จะทำประโยชน์ให้กับใจเช่นดับความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับใจได้นั้น จำเป็นที่จะต้องน้อมเอาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้ามาอยู่ในใจให้ได้ <Yeah. S 1> ถึงจะสามารถที่จะทำหน้าที่ของธรรมะคือนำพาจิตใจให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ได้บรรลุถึงอรยิยมรรคอริยผลอนะเิฐ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มารู้ถึงกันนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับยาทางโลกยาทางโลกที่ใช้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายก็เช่นเดียวกันก่อนที่ยารักษา โ, โาครคโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายนี้ จะทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้แก่ร่างกายได้ก็จำเป็นจะต้องนำเอาอยาเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งบางทีก็ต้องวิธีรับประทานเข้าไปบางทีก็ต้องใช้การฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อให้ยาอันวิเศษนี้ได้เข้าสู่ระบบของร่างกายอพ อ, อยาอันวิเศษนี้ได้เข้าสู่ในระบบของร่างกาย ยาก็จะสามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายไปจากร่างกายได้แต่ถ้าไม่เอายานี้เข้ามาสู่ร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีวันหายไปจากร่างกายฉันใ้โรคแห่งความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันเป็นโรคของใจเป็นความทุกข์ของใจ ที่มีเหตุก็คือเชื้อโรคของใจได้แก่กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและเป็นผู้ที่ดึงให้ใจนี้ให้มาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตรัยภพ ยังไม่มีวันสิ้นสุดดาบใดถ้ายังไม่น้อมนำเอาธรรมเข้ามาสู่ใจเพื่อมาทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจดาบนั้นใจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบต่อไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ดังนั้นการทำหน้าที่ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้คือทมทุระสองทุระนี้จึงเป็นทุระที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้เข้าถึงพระอริยมรรคพระอริยสงอริยผลอันประเสริฐที่บรรดานักปราท์ทั้งหลายได้สามารถเข้าถึงกัน จึงต้องมีวันที่ปฏิบัติมีวันที่จะมาทําธุระสองธุระนี้ <c oughs> อย่างต่อเ น, นื่อ <c> ง <oughs> ไม่ใช่ทําแบบเล่นๆต้องทําแบบจริงจังเหมือนกับเวลาที่เราไปทําธุระทางโลกเวลาเราทําธุรกิจทางโลกเราก็ทํากันอย่างจริงจังวันหนึ่งก็ทำแปดชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่เช้า เข้าไปที่ทำงานพอถึงที่ทำงานก็ไม่ทําอะไรอย่าง อ, อื่นทำแต่ธุรกิจที่ต้องทำไปจนถึงเวลาเลิกงานตอนเย็นออการทำธุระทางธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงจะได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมถ้าทำแบบเล่นๆทำแบบมือสมัครเล่นทำแบบพอหอมปาก้ําคอ วันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงอย่างนี้จะได้ผลน้อยและจะไม่ทันการกับเวลาของชีวิตที่จะต้องหมดไปซึ่งการสิ้นสุดของชีวิตของแต่ละคนก็ไม่แน่นอนอาจจะหมดไปในวันนี้ก็ได้อาจจะหมดไปในวันพรุ่งนี้หรือในอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่มีใครรู้ แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือมันจะค่อยๆหมดไปในแต่ละวันที่ผ่านไปนี้ชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะลดน้อยลงชีวิตหมายถึงเวลาที่เราจะอยู่นี้จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่อายุของเราก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งผ่านไปเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันอายุจะเพิ่มขึ้นแต่เวลาที่จะอยู่จะเหลือน้อยลง เวลาที่จะนำามาทำธุระเพื่อปลดปรื้มใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ mm hmm. จึงไม่ควรกระทำแบบแบบสมัครเล่น mm hmm. แบบพอหอมปากหอมคอทำแบบพอเป็นพิธี mm hmm. เพราะมันจะไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา ควรจะทำกันอย่างจริงจังอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เอาสักวันหนึ่งเช่นวันนี้วันพระท่านที่ไม่ต้องไปทางานทาการที่สามารถใช้วันพระเป็นวันทำธุระสองนนี้ได้ก็ทำกันไปส่วนท่านที่วันนี้ต้องทำงานก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระเป็นวันที่จะมาทำธุรกรรมทางธรรมกัน มาทำคันถะทุระและวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาทุระกันขั้นแรกนี้ต้องทำคันถะทุระก่อนคันถะทุระก็คือเรียนคำสั่งคาสอนเรียนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรกันบ้างถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันซึ่งก็เป็นคำสอนที่สั้นๆไม่ยาวไม่ยากต่อการจดจา ก็คือให้เรารักษาสีนกันให้เราปฏิบัติเจริญสมาธิกันและให้เราปฏิบัติเจริญปัญญากันสร้างสีนขึ้นมาให้มันปรากฏขึ้นมาในใจสร้างสมาธิความตั้งมั่นในความสงบให้ปรากฏขึ้นมาในใจสร้าง ส, สร้างปัญญาความรู้ความฉลาด ในสภาวะธรรมทั้งปวงให้ปรากฏขึ้นมาในใจมีสามข้อใหญ่ๆทั้นั้นเองที่ต้องศึกษากันข้อที่หนึ่งก็เรามาศึกษาเรื่องศีลก่อนก่อนที่เราจะรักษาศีลได้อย่างถูกต้องเราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องรักษาศีนนี้ก็มีแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่งระดับเบื้องต้นก็คือศีลห้าแล้วก็ถัดไปก็เป็นศีลแปดศีลสิบแล้วก็ศีลสองร้อยยีิบเจ็ดเมื่อก่อนก็มีศีลสาม้อยกว่าข้อสำหรับภิกษุณีแต่ยุคนี้สบายนี้ภิกษุณีได้หมดไปจากศาสนาของเทราดแล้ว เหตุละวานี้ไม่มีภิกษุณีงเหลืออยู่แล้วภิกษุณีปรากฏขึ้นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็มีการสืบมีการบวชกันสืบทอดกันมาอยู่ระยะเวลาประมาณพันพันปีเศษก็หมดไม่มีผู้ที่มาสืบทอดภิกษุณีภิกษุณีก็เลยหมดไป และจะทําให้ภิกษุณีกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็ทําไม่ได้เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะทําให้คนที่ตายแล้วนี้ฟื้นกลับคืนมาใหม่ไม่ได้ภิกษุณีก็เช่นกันเมื่อไม่มีการบวชเป็นภิกษณุณีไม่มีภิกษุณีจะมาเป็นผู้บวชให้กับผู้ที่อยากจะบวชภิกษณุณีก็จะ ก็ไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้การที่จะบวชภิกษุณีนี้จำเป็นจะต้องมีสงฆ์สองฝ่ายมาทาเป็นมาพูดก็ทําการบวชให้ต้องมีสงฆ์ฝ่ายภิกษุณีบวชจากภิกษุณีแล้วก็ต้องมาบวชกับสงฆ์ฝ่ายภิกษุต้องมีสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับเข้ามาอยู่ใน อยู่ในในสงของภิกษุณีถ้าขาดภิกษุณีสงไปมีตอนนี้มีแต่ภิกษุสง์อย่างเดียวภิกษุสง์นี้บวชได้แต่พระภิกษุแต่ไม่สามารถบวชพระภิกษุณีได้พระภิกษุณีนี้ต้องมีพระภิกษุณีเป็นผู้บวชให้ก่อนแล้วมาให้พระภิกษุบวชให้อีกรอบหนึ่ง ถึงจะสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้นี่คือสาเหตุทำไมในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวดที่เป็นเป็นศาสนาที่ชาวพุทธชาวไทยเรานับถือกันมานี้ไม่มีภิกษุณีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าสำหรับอุบาสิกาหรือ ญาโยมที่เป็นสุภาพสตรีนี้ก็ยังสามารถบวชได้ด้วยการบวชเป็นอุบาศิกาที่เรียกว่าแม่ชีถือศีลสิบอันนี้ก็พอเพียงต่อการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันส่วนภิกษุณีที่เราเห็นกันนี้ ไม่ได้เป็นภิกษุณีในฝ่ายของเถรวานเป็นภิกษุณีในฝ่ายของมหายานมหายานนี้เป็นเป็นเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกสายหนึ่ง <S S S> มหายานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเสด็จ ด, ดับขันธ์ปาลินิพพานไปตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่นี้ จะมีจะมีาศาสนาพุทธอยู่สายเดียวคือสายเถรวาดเถรวาดก็คือโอวาทของพระเถระโอวาทของพระเถระก็คือพระอริยสงสาวกโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทของพระเถระของของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลนี้เราจะนับถือพระเถระกันพระที่มีอาวุโสมีคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะรับคำสั่งคำสอนจากพระเถระเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาคำสอนที่พทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการไม่ว่า จ, จะเป็นศีลศีลห้าศีลสิบ ศีลแปดศีลสองรอยิบเจ็ดอันนี้ศีลสามร้อยกว่าข้อของภิกษณุณีเราก็นับถือกันมาตามตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนทุกประการแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งจากโลกนี้ไปแล้วก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลต่างจากที่ ทรงเคยสอนให้รักษาไว้ก็เลยแยกไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของมหายานไปภิกษุเหล่านี้จะไปเผยแผ่ธรรมทางด้านเหนือของประเทศอินเดียกันเช่นไปทางทิเบตไปทางประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้เป็นสายของมหายานซึ่งมีการมีขนมทรรมเนียมประเพณีที่บางบางอย่างบางข้อ ไม่ตรงกับของทางสายเถระวา่เวาเถระว่านี้ยังรักษาคำสั่งคาสอนครบถ้วนทุกประการแต่สายมหายานี้เขามีความจำเป็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในบางคำสอนเช่นเรื่องของการบินทบาทนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะทำได้เพราะไปอยู่ในประเทศที่มีความหนาวเย็น เลยแทนที่จะออกบินสบาทก็เลยต้องมีโรงครัวกัน mm hmm. พระเนงก็อยู่ในวัดฉันอาหารที่ในโรงครัวจัดให้กัน mm hmm. แล้วก็มีธรรมเนียมประเพณีเชื่อว่านักบวชนี้ต้องฉันมังสวิรัตกันเพราะการฉันเนื้อสัตว์นี้เป็นการเบียดเบียน mm hmm. แต่ในสมัยพุทธกาสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนที่อยู่พระองค์ทรงไม่ได้ห้ามให้ไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์เพียงแต่ห้ามไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์บางประเภทเท่านั้นเช่นเนื้อเนื้อสัตว์ของสัตว์ป่าเสงโตเสือโครง่งเสือดำงูหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเนื้อสัตว์ที่ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุฉันกัน แต่เนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านเขารับประทานกันเป็นปกติถ้าเขามีศรัทธาที่จะทำอาหารแล้วก็ทำอาหารที่เขารับประทานที่มีเนื้อสัตว์ที่เขาจะแบ่งมาเพื่อใส่บาตนี้ก็ส่งอนุญาตให้รับมาฉันได้เพราะมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของผู้ให้อยู่แล้วว่าเขาก็รับประทานเนื้อสัตว์เหล่านี้อยู่แล้วเป็นปกติ การไปบินธบาตของพระจึงไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอาเอาอาหารเอาเนื้อสัตว์มาทำเป็นอาหารให้ใส่บาตรกับพระใดอย่างใดเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านเขาทำกันอยู่แล้วเป็นปกติของเขาแล้วเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วมันก็ไม่ต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่าง เช่นผักข้าวมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วที่อยู่ในอาหารมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ได้แต่ห้ามไปบอกไปขออาหารจากผู้ให้ทนั้นว่าต้องการอาหารชนิดนั้นหรือชนิดนี้ปล่อยให้เป็นไปศรัทธาของ ผู้ให้เพราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระภิกษุคนนี้เป็นภาระกับผู้ให้ผู้ที่ทําบุญเพราะจะทําให้เขาอาจจะลําบากยุ่งยากน่า จ, จะทําให้เขาไม่มีศรัทธาที่อยากจะทําบุญก็ได้จึงทรงปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้ให้เพียงแต่ว่ามีอาหารบางชนิดที่ต้อง ที่พระภิกษุฉันไม่ได้คือถ้าเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นไข่ต้องไม่ต้องเป็นของที่สุกจริงๆไม่ใช่ของแบบสุกๆดิบๆครึ่งสุกครึ่งครึ่งครึ่งดิบนี้เป็นอาหารที่พระพุทธเจ้าส่งห้าไม่ให้พระภิกษุฉันแต่ถ้าศรัทธาญาติโยามจะใส่บาตรเข้ามาก็รับไม่ได้แต่เวลาฉันนี้ให้แยกออกไว้ไม่ให้ไม่ให้ฉันไม่ให้ไปสร้างปัญหาให้กับ ผู้ให้อย่าไปบอกว่าต้องให้แบบนี้หรือให้แบบนั้นเพราะการเป็นผู้รับนี้เป็นผู้ขอนี้ควรจะเป็นผู้เอไม่จู้จี้จุกจิกไม่ไปสร้างเงื่อนไขต่างๆให้กับผู้ให้จนทำให้ผู้ให้นี้เกิดความําคาญเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ mm. นี่คือเรื่องของ <c oughs> ประเพณีของพระเราว่า ซึ่งต่างจากของพระมหายาณในบางข้อบางเรื่องแต่เรื่องของเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานี้มีเหมือนกันสอนเหมือนกันสอนให้ปฏิบัติเหมือนกันต่างกันที่เรื่องของระบับการรักษาศีลของของพระนี่จะต่างกันจึงเลยต้องแยกออกเป็นคนละสายกันไปเพราะถ้ามาอยู่ร่วมกันมันก็จะทําให้สับสนปนกันไปปนกันมา ไม่รู้เหนือไม่ดูใต้ก็เลยมีสองสายใหญ่ๆของทางพระพุทธศาสนาสายมหายานและสายเถรวาสสายเถรวาสนี้ก็เผยแผ่มาทางใต้ของอินเดียมาสู่ประเทศศรีลังกาแล้วก็ไปทางประเทศพมา่าทางประเทศไทยเขมรลาวอันนี้จะเป็นาศาสนาพุทธสายเถรวาสกัน มีพระภิกษุสงฆ์เหมือนกันมีรักษาศีลสองรอยยี่บเจ็ดข้อเหมือนกันแต่ไม่มีภิกษุณีเพราะภิกษุณีนี้หมดไปประมาณพันปีหลังจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากอาจจะไม่มีศรัทธาไม่มีผู้ที่มีศรัทธาพร้อมที่จะบวชกันก็เลยทำให้พระภิกษุณีนี้หมดไป แต่การหมดไปของภาพภิกษุณีก็ไม่ได้เป็นการาเป็นการเป็นอุปสรรคตอบสุภาพสติผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของภิ ก, ภกษุณีได้เช่นเดียวกันเพราะเพราะศีลของภิกษุณี300ก ข, ข้อนี้ก็ยังมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ถ้าภิกษ ถ้าสุภาพจตีท่านใดอยากจะปฏิบัติบตแบบภิกษุณีก็สามารถที่ไปศึกษาสีนสามร้อยกว่าข้อของภิกษุณีแล้วลองลอ ง, ลองรักษาดูไปก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเป็นจะต้องมีการบวชเป็นภิกษุณีหรือไม่การการบวชนี้เป็นเพียงการทำพิธีแสดงให้โลกเขารู้ว่าเราได้เป็นภิกษุณีแล้ว แต่การจะเป็นภิกษุณีที่แท้จริงหรือเป็นภิกษุที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การบวชอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรักษาศีลของภิกษุหรือภิกษุณีหรือไม่เทนภิกษุที่บวชมาแล้วไม่รักษาศีลของภิกษุไม่ช้าก็เร็วพอคนเท่ารู้เข้าเขาก็จับสึกไปเขาก็ไม่ให้อยู่เป็นภิกษุไปอันใดผู้ที่ถึงแม้ไม่ได้บวช แต่สามารถรักษาศีลของภิกษุได้หรือสามารถรักษาศีลของภิกษุณีได้ก็ถือว่าเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่มีการรับรองเป็นทางการด้วยการทําพิธีกรรมการบวชอุปสมบทให้กันเท่านั้นเองอย่างนั้นสําหรับสุภาพสตรีท่านใดที่คิดว่าอยากจะลองเป็นภิกษุณีดูก็ลองไปศึกษา ศีลของภิกษุณีที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ก็มีแบ่งไว้สามส่วนด้วยกันมีมีสามหมวดใหญ่ๆหมวดที่หนึ่งเราเรียกว่าวินัยปิฎกหมวดที่สองเรียกว่าสุตะสุตันตะปิฎกดังนั้นหมวดที่สามเรียกอภิธรรมปิฎกหมวดแรกนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับศีลของภิกษุภิกษุณี ท่านสามารถค้นหาได้ใน Google ในโทรศัพท์มือถือเพียงใส่เข้าไปว่าศีลของภิกษุณีท่านนั้นเองหรือ ว, วินัยของพระภิกษุณีก็จะมีมีโผลขึ้นมาให้ได้ศึกษาสามร้อยกว่าข้อแล้วก็จะมีประวัติของกฎระเบียบของแต่ละข้อว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างมีเหตุผลอย่างไรเพราะที่พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัติข้อห้ามต่างๆเหล่านี้ เช่นเดียวกับกฎระเบียบของพระภิกษุสีน227ข้อก็สามารถค้นหาได้ในภิกษุวินัยของพระภิกษุเนี่ก็จะมีเล่าประวัติความเป็นมาของศีลแต่ละข้อของข้อห้ามแต่ละข้อว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจึงต้องห้ามอันนี้ท่านที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งก่อนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง ไม่ลังเลสงสัยก็ให้เข้าไปอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ในพระไตรปิฎกนี่แหละเรียกว่าคันถะทุระคือการศึกษาคำสั่งคำสอนที่พู้เจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นำเอาไปปฏิบัติกลุ่มแรกก็กลุ่มกลุ่มของศีลกลุ่มของศีลก็เริ่มต้นจากศีลห้า ขินห้ามีอะไรบ้างขินหก็มีการไม่ฆ่าสัตว์มไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดที่ทําให้เกิดการขาดสติขึ้นมาเพราะเมื่อไม่มีสติแล้วเวลาเกิดอารมณ์ที่จะทําำบาปทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่สามารถยับยั้งการกระทําได้ จึงต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมาหรือเสพยาเสพติดที่มึนเมาทั้งหลายเพื่อที่จะได้มีสติเพื่อที่จะได้รักษาสีลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ได้สีลข<ม>้อที่หนึ่งก็<ม>คือการไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นและของตนเองการฆ่าผู้อื่นนี่ก็เป็นบาปการฆ่าตัวเองก็เป็นบาปาะเป็นการฆ่าเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถือว่าเป็นบาปด้วยกันทั้งน cool ั้นร <|so|> ่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่โหดร้ายทารุณกับเราหรือร่างกายของคนที่เขาไม่ได้โหดร้ายทารุณกับเราหรือร่างกายของเราเองก็เป็นสิ่งที่เราฆ่าไม่ได้ฆ่าแล้วมันจะเป็นการกระทำบาป มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเป็นเวลาอันยาวนานมันจะสร้างความทุกข์ในขณะที่ที่ได้กำลังทำและกในขณะที่จะทำก็เกิดความทุกข์เวลาทำก็เกิดความทุกข์ใจเวลาทำเสร็จแล้วความทุกข์ใจก็ยังติดค้างอยู่ในใจแล้วมันจะทำผลมีผลส่งต่อให้กับ ใจที่จะเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายอบายก็คือที่อยู่ของของสัตว์ที่ที่ทำบาปไม่รักษาศีลกันมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันเปรตเดลัฉานเปรตอสุรกายและนรกแต่ถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายกัน อันนี้ก็ถือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจให้เห็นผลของการกระทาบาปมันไม่ใช่เกิดที่ร่างกายนะผลผู้ที่รับผลบาปนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่จะรับผลบาปบางคนก็คิดว่าทำบาปเท่าไหร่ตายไปแล้วพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเป็นผู้ไปรับผลบาปต่อไปผู้ที่ไปรับผลบาปเป็น เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันคือใจนี่ใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนสามีภรรยากันมาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันแต่ผู้ที่สั่งการให้ทำนี้ก็คือใจผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาผู้ที่เรามองไม่เห็นกันใจนี้แหละเป็นผู้สั่งเป็นผู้กระทาโดยอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายจึงไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่กระทำบาปแต่อย่างใดผู้ที่กระทำบาปเกิดใจผู้ที่จะรับผลบาปก็คือก็ต้องเป็นใจไม่ใช่ร่างกายยิ่งเวลาร่างกายตายไปต่อให้ทําบาปมากน้อยเท่าไหร่ร่างกายก็ไม่ได้ไปไปนรกไม่ได้ไปเกิดแต่อย่างใดเพราะร่างกายไม่มีความสามารถที่จะไปเกิดได้ ่ผู้ที่จะไปเกิดได้ไปอยู่ในภพต่างๆได้นี้ก็คือใจใจนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดนองผู้สั่งการผ่านความคิดสั่งให้ร่างกายทําบาปกันสั่งให้ร่างกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสั่งให้ร่างกายไปลักทรัพย์ของผู้อื่นสั่งร่างกายให้ไปประพฤติิประเพณี <c oughs> สั่งให้ร่างกายไปโกหกหลอกลวงเพราะอะไรถึงต้องทําบาป เพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองซึ่งบางครั้งเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วไม่สามารถไปทาใบหามาได้โดยการวิธีที่สุดจริตทีไ่ไม่ไม่ต้องทำบาปแต่ความอยากยังไม่หมดไปอยากได้แต่ไม่สามารถไปหามาได้ด้วยการกระทา ที่ถูกต้องคือไม่ทำบาป ก, ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีถ้าอยากได้มากๆก็เลยต้องไปทำบาปอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจนี้ไปทำบาปกักนก็คือความโลภความอยากเมื่อไม่มีความสามารถที่จะทำตามความอยากได้ด้วยวิธีสุดจริตไม่ไม่กระทําด้วยวิธีกระทัาบาป ก็เลยต้องไปทําบาปเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในใจนี้มันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจใจจะรู้สึกหงดหงิดรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจจนกว่าจะได้ทําตามความอยากได้สิ่งที่อยากได้มาความรู้สึกอุ่นจิดรู้สึกลาคาญใจรู้สึกไม่สบายใจมันถึงจะหายไปได้คนเลยต้องไปทําบาปกันเพราะว่า ถ้าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำตามความอยากแล้วจะไม่มีความสุขนั่นเองอันนี้เป็นเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายนี้ทำบาปกันเพราะมีความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากได้ของบางอย่างแต่เจ้าของเขาไม่ยอมให้เขาขวางทางเราอยู่ถ้าเราฆ่าเขาแล้วเราก็จะได้ของที่เราอยากได้ขึ้นมา มันก็เลยทําให้ต้องไปฆ่าเขาแต่ได้ของที่ได้มานี้มันประโยชน์ที่ได้ไมันไม่คุ้มกับโทษที่จะได้รับของที่ได้จากการไปทําบาปนี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวทําให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจชั่วคราวเดี๋ยวเดียวไม่นานแต่มันก็มีความทุกข์ใจตามมาทันทีพอเวลาเราไปทําบาปแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เกิดความหวาดกลัวต่อผลการกระทําของเราเพราะเวลาเราไปฆ่าผู้นี้ญาติของผู้อื่นคนที่เขารักคนที่ถูกฆ่านี้เขาก็อาจจะต้องมาตามล้างแค้นเรามาตามลงโทษเราก็ได้เราก็จะอยู่อย่างไม่สมบอยู่อย่างไม่สบายใจอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่อย่างวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาจะอยู่ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆจะไปเปิดเผยตนเองเหมือนตอนที่ไม่ได้ทำบาปนี้ทำไม่ได้<ม>อันนี้เราต้องวิธีที่จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปนันก็คือเราต้องเห็นผลของการกระทำบาว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับใจของเรา<ม>ผู้ที่รับผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกาย<ม>ร่างกายอาจจะไม่ถูกจับไปติดคุกติดตารางก็ได้ หรือถ้าติดทุกติดตารางแต่ถ้ามีผลประโยชน์ไปแรกกับเขาก็ติดอย่างสบายก็ได้ติดอย่างเหมือนกับไม่ได้ติดก็ได้เพราะว่าทางโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ทางกฎแห่งกรรมนี้ไม่สามารถเอาผลประโยชน์ที่เราได้จากการทำบาสนี้มาลบล้างผลของบาปที่จะตามมาได้คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดราฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นอนรกกายบ้างหรือไปตกนรกบ้างอันนี้ไม่มีใครที่จะมาลบล้างได้ถ้าลองทำบาปไปแล้วผลมันจะต้องตามมาไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. ผลเหล่า น, นี้มันเกิดขึ้นที่ใจ mm hmm. และบางทีมันเกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตาย mm hmm. ร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้แต่พอไปทำบาปแล้วร่างกายใจก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็มี mm hmm. ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายก่อนผลของกรรมถึงจะส่งผลขึ้นมามมทําไมคนเราบางคนจึงอยู่เหมือนสัตว์เดรัจฉาน<ม>อยู่แบบเอารัดเอาเปรียบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน<ม>สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย<ม>ผู้ที่มีอํานาจมีมีกำลังมากกว่า<ม>ก็เบียดเบียนผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าอันนี้แหละคือลักษณะของใจที่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้ว โดยที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายไป<ม>เขาถึงบางทีต้องจับคนเหล่านี้ไปขังไว้ในกรงนั่นเอง<ม>เพราะว่าถึงแม้ร่างกายของเขาจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเขาเป็นเหมือนสิงสาราสัตว์<ม>เวลาที่เราเห็นสิงสาราสัตว์ออกมาเพ่นพ่านในบ้านในเมืองเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างสบายหรือเปล่า<ม>เราก็ต้องรีบตามจับกัน<ม>เพื่อจะได้จับเอาไปขังไว้ในกรงเพราะ สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่อันตรายต่อชีวิตของผู้เราจึงไม่ปล่อยให้สัตว์ร้ายต่างๆมาเพ่นพ่านอยู่ในสังคมของมนุษย์กันเราก็ต้องจับไปขังไว้ในกรงจับไปอยู่ในสวนสัตว์หรือไม่เช่นนั้นก็จับไปปล่อยในป่าให้เขาอยู่ที่ของเขาฉัานใดคนที่ใจเป็นสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องถูกจับไปขังในคุกในตาราง พวกตารางนี้ก็เป็นที่กักขังพวกที่เป็นสัตว์ในราชาพวกที่ทำบาปทำผิดศีลทำผิดกฎหมายทั้งหลายนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตา ม, มก็จะต้องถูกจับไปลงโทษไม่ช้าก็เร็ว<ม>นะให้เราเห็นผลของการกระทำบาปแล้วเราจะได้ไม่กล้ากระทาบาปกันจะไม่กล้าฆ่าสัตว์ไม่กล้าทำร้ายชีวิต แม้แต่ชีวิตของเราเองก็ไม่ไม่ไม่กล้าจะฆ่าเพราะการฆ่าร่างกายของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการฆ่าแก้ปัญหาแต่อย่างใดคนที่มีความทุกข์มากๆไม่มีความสุขก็เลยอยากจะตายกันการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจความทุกข์นี้อยู่ในใจมันไม่ได้เกิดจากร่างกายจากการมีร่างกาย ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆต่าหาพอเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายไม่สามารถที่จะพาให้ร่างไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆได้ไม่สามารถไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟัง ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มีแต่ความเจ็บปวดของร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดความไม่อยากอยู่ขึ้นมาเท่นั้นเองเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้ไปดับความอยากต่างๆความอยากต่างๆก็ยังมีอยู่ต่อไปเวลากลับมาเกิดในภพหน้าชาตินมีร่างกาย ก็พอมาเจอร่างกายที่ไม่สมประกอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกก็จะคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายอีกงั้นการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราในภพหน้าชาติหน้าเวลาเราเกิดภพหน้าชาติหน้าเราเจอปัญหาแบบเดิมเราก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย แล้วเวลาตายแล้วก็ไม่ก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะต้องไปใช้กรรมในอบายจะต้องไปตกนรกการฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักต้องไปตกนรกกันดะนั้นอยากฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพื่อหนีความทุกข์ถ้าต้องการจะหนีความทุกข์นี้ต้องมาฆ่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากต่างๆนี้นั่นเอง ถ้าเราหยุดความอยากได้หยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขได้เราก็ไม่ต้องทำลายร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ไปร่างกายมันจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าเราสามารถหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายได้ความทุกข์ของเรามันเกิดจากความอยากใช้ร่างกายให้พาเราไปหาความสุขต่าง พอเราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เราก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้าขึ้นมาเพราะใจไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆได้ผู้ที่ฉลาดถ้าใครได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องมาหยุดความอยากกันด้วยการมาทำใจให้สงบกันมาฝึกสมาธิกัน เพราะว่าถ้าเราฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ความอยากจะหยุดทำงานชั่วคราวแล้วความทุกข์ก็จะหายไปจากใจชั่วคราวแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบความปราศจากความอยากของใจนี่คือทำไมเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันเริ่มต้นเราต้องรักษาศีลก่อน เช่นเวลาเราอยากจะฆ่าตัวตายเราก็ไม่ฆ่าตัวตายเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาฆ่าตัวตายแล้วมันจะทําให้สร้างปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเกิดมาทีไรเวลาเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆก<ๆ>็จะสร้างแต่ความทุกข์ให้กับใจไปไม่มีวันสิ้นสุดน แต่ถ้ามาได้มาเจอกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราแก้ปัญหาความทุกข์ใจของเรานี้ด้วยการมาทำใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆถ้าถ้าอยากจะขโมยเงินของคนอื่นก็หยุดขโมยด้วยการไปทำใจให้สงบถ้าอยากจะไปประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปทำประพฤติผิดประเพณี ด้วยการมาทำสมาธิกัน yeah. Yeah. นี่คือหน้าที่ของศีลเบื้องต้นคือเบรกวิธีแก้ปัญหาวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการไม่ให้ไปทำบาปกันเพราะไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีสร้างปัญหาให้มีหนักเพิ่มมากขึ้นไปเพราะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการกระทำบาปนี้มันก็จะทาให้เราส่งเสริมให้เรามาทาบาปเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ทุกครั้งเวลาที่เรามีความอยากแล้วไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้โดยวิธีที่ไม่ไม่ทำบาปมันก็จะทำให้เรามาทำบาป ก, กันแล้วเมื่อทำบาปแล้วตายไปหรือยังไม่ทันตายไปใจเราก็จะกลายเป็นเปรตไปกลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นสัตว์นรกไปทั้งทั้งที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามเมื่อใจเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่ปล่อยให้เราอยู่ในในสังคมของมนุษย์ เราก็ต้องจับคนที่มีใจเป็นเปรเป็นเดรัจฉาน mm. เป็นนรกนี้จับไปขังไว้ในทุกในตารางเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง mm. ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาจึงไม่ใช่วิธีแก้ด้วยการกระทําบาปก mm. ต้องไม่ทำบาปแล้วก็มาใช้วิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือมาฝึกนั่งสมาธิกัน ถ้าเราฝึกสมาธิเป็นเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจเราก็มานั่งสมาธิทําใจให้สงบหยุดความอยากไว้ชั่วคราวพอความอยากหยุดความทุกข์หายไปความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากความหยุดของความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปทำบาปในการได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้เช่นอยากได้เงินได้ทอง อยากได้ข้าวได้ของหรืออยากได้อะไรก็ตามสิ่งที่เราได้มาจากการทำบาบนี้มันสู้ความสุขที่เราได้จากการทาใจให้สงบหยุดความอยากไม่ได้นี่คือทำไมเรื่องเบื้องต้นเราต้องรักษาศีลก่อนก่อนที่เราจะมาทำสมาธิได้เพราะถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะไปแก้ปัญหาด้วยการกระทาบาปกันเวลาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ ก็ต้องไปทําบาปเพื่อให้ได้มาตามที่ต้องการมันก็จะทําให้เรานี้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีนี้ต้องแก้ด้วยการกระทําใจให้สงบหยุดความอยากตัวที่เป็นปัญหาที่แท้จริงตัวที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจตัวที่ทําให้เกิดความหิวโหยเกิดความไม่รู้ความความรู้สึกเงาหงอยเศร้าซ้อยอะไรต่างๆนี้ ล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นถ้าไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดแต่เบื้องต้นนี้เราต้องไม่แก้ปัญหาด้วยการกระทำบาปไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งเบื้องต้นคนเราก็มักจะอาศัยการดื่มุรายาเมาการเสพยาเสพติดเวลาเกิดความรู้สึบบกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุข ก็จะมีคนแนะนําว่าไปดื่มเล่ากันดีกว่าดื่มเหล้าแล้ ว, ลวจใจจะสบายใจจะโลง่งไม่เครียดกับงานต่างๆไม่เครียดกับคนนั้นไม่เครียดกับคนนี้ให้ไปดื่มให้ไปเสพยาเสพติดเสพแล้วอาการเครียดต่างๆก็จะหายไปแต่มันเป็นการหายแบบชั่วคราวแล้วมันจะทําให้ไปติดยาเสพติดพอฤทธิของยาหมดแล้วฤทธิ์ของสุราหมดแล้ว ความเครียดที่มันหายไปมันก็กลับมาใหม่ก็เลยต้องกลับมาดื่มใหม่กลับมาเสพใหม่แล้วจะต้องเสพมากกว่าเดิมด้วยครั้งแรกเสพเพียงนิดเดียวก็ทาให้ความเครียดหายได้แต่ครั้งที่สองนี้ร่างกายมันเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีกำลังที่จะรับสุราได้มากขึ้นมันก็จะต้องดื่มให้มากขึ้นมันถึงจะทำให้ความเครียดหายไปได้ หรื อ, อยาเสพติดก็ต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นแล้วของพวกนี้มันก็เป็นของที่บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้<ม>เวลาที่เครียดแล้วหาสุรามาดื่มไม่ได้หรือหาอยาเสพติดมาเสพไม่ได้เวลานั้นความเครียดยิ่งกลับมีความรุนแรงเพิ่มมากกว่าเดิมซิม น, นี่ไม่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องมไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมาแก้ความเครียดต่างๆของใจความทุกข์ของใจ อย่าไปแก้ด้วยการทำผิดศีลอย่าไปแก้ด้วยการดื่มสุรายาเมาอย่าไปแก้ด้วยการเสพยาเสพติดแล้วอย่าไปแก้ด้วยการโกหกหลอกลวงผู้อื<ม>่นเพื่อที่จะได้เอาผลประโยชน์จากเขามาแก้ความเครียดของเราหรืออย่าไปแก้ด้วยการไปประพฤติผิดประเพณี<ม>ไปมีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื<ม>่นเพื่อมาแก้ความเครียดของเรา หรืออย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นหรืออย่าไปฆ่าผู้อื่นการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะความความเครียดมันไม่ได้หมดไปจากการกระทําเหล่านี้อย่างถาวรมันมันหดไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็พอมีความอยากได้อะไรใหม่ขึ้นมาความเครียกก็จะกลับขึ้นมาใหม่อีก วิธีที่จะถูกต้องก็คือต้องมาแก้ด้วยการทำสมาธิดังนั้นเบื้องต้นเราต้องต้องมีศีลเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องอย่าไปแก้ปัญหาความคิดความไม่สบายใจของเราด้วยการไปทำบาปให้เรามาแก้ปัญหาด้วยการมาทำใจให้สงบมาฝึกสติมาควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจเราคิด ก็ความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ผลิตความอยากขึ้นมาพอเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาพอเราไม่คิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะหายไปยงั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกสติมาหยุดความคิดให้ได้ควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดด้วยสติได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา แล้วความทุกข์ที่เกิดความเครียดที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเพณีไม่ต้องไปพูดปดไม่ต้องไปดื่มของมึนเมาต่างๆอันนี้เป็นวิธีแก้ความเครียดแก้ความทุกข์แต่ก็ยังเป็นวิธีแบบชั่วคราวอยู่ เพราะเวลาหลังจากออกจากสมาธิมาถ้าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้อยู่อ ย, อยู่ดีก็เลยต้องมีการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองที่จะแก้ความเครียดแก้ความทุกข์ได้อย่างถาวรก็คือการใช้ปัญญามาสอนใจสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขก็ดี หรืออะไรก็ดีเช่นร่างกายก็ดีอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายนี้ก็ดีมันเป็นของที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นของที่มันอยู่เหนือวิสัยของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันหายนี่มันมันไม่หายเองมันต้องรักษาแล่บางทีรักษาแล้วมันก็ไม่หายก็มีโรคบางชนิดรักษาไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวเราต้องเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยาก ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เราต้องหยุดความอยากตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวตัวแก่ตัวเจ็บตัวตาย <cam ma> ตัวความอยากที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายตังางที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องของร่างกายเราก็ต้องยามรอบความเป็นจริงของร่างกายมองมเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง <cam ma> มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราจะไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ทํายังไงก็ไม่มีวันห้ามความแก่ได้ความเจ็บความตายได้ที่เราทุกข์กันเพราะเราไม่อยากจะให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเทั้งเองแต่พอเราเห็นความจริงว่าเราทําอะไรไม่ได้ยอมรับความจริงนีกว่ายอมไม่ให้มันแก่ยอมไม่ให้มันเจ็บยอมไมให้มันตาย ถ้าเรายอมได้หยุดความอยากได้ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายเรื่องของความเจ็บความตายของร่างกายก็จะหมดไปใจก็จะอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่ความตายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดอันะนี้คือตัวอย่างของการใช้ปัญญาให้เราใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ได้มาแล้วก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป เช่นอยากจะได้แฟนพอได้แฟนมาก็มีความสุขกับแฟนอยู่ชั่วคราวเดี๋ยววันดีคือดีแฟนจากไปความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาความเครียดก็เข้ามาอี ก, ก, าาอกฉะนั้นอย่าไปแก้ด้วยวิธีหาสิ่งต่างๆมาให้ใจเพื่อให้ใจมีความสุขแก้ด้วยวิธีหยุดความอยากต่างๆด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากจะได้มานี้มันเป็นความสุขชั่วคราว มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไป <Yeah. S 2> ให้มองให้เห็นตายลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป <Yeah. S 2> นี่คือการใช้ปัญญาซึ่งเป็นวิธีดับความเครียดอย่างถาวร <Yeah. S 2> ถ้าเรามีปัญญาแล้ว เวลามีความอยากเราก็จะพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่าเป็นไต่รักแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่มีความทุกข์นี่แต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระ อ, ะอาหารหันตสาวกเป็<ม>ในใจที่ปราศจากความอยากปราศจากกิเลส ความโลภความโกรธความหลงต่างๆใจแบบนี้เราเรียกว่านิพานใจเป็นที่เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือการทําให้แจ้งกันทะวิปัสสนาทุระทําให้ศีลปรากฏขึ้นมาในใจทําให้สมาธิปรากฏขึ้นมาในใจทําให้ปัญญาปรากฏขึ้นมาในใจ แล้วเราจะได้วิมุตติคือการดุดพ้นจากความทุกข์จะได้นิพพานพระบรมสุขของใจก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในใจนี่เรียกว่าการทำวิปัสสนาธุระขั้นต้นก็ต้องศึกษาคันธะธุระทำคันธะธุระด้วยการศึกษาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือเรื่องศีลสมาธิและปัญญานี่พอได้รู้แล้วต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ปฏิบัติรักษาศีล เจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา<ม>แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจก็ถูกกำจัดไปให้หมดสิน้นความทุกข์ความเครียดต่างๆก็จะหมดไปจากใจอย่างถาวร น, นี่คือเรื่องของภารกิจหรือธุรกิจของชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้ให้มาทำกันในวันหยุดทำงานเช่นวันนี้คือวันพระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานาังอุ ป, ปกบปะติอิทีิต่างปฏิทังตุมหังคิปเมวะสนิจตุตสัพเพปุเรนตุสังกบา ยันโทปะนะระโสยะามณิโชติอาระโสยะาสะพีติโยวิวัจฉันตุสะพารุโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังุทาปะจายโน ชาตาโรธรมมวัานติอายุวันโนสุขังภาลาหช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา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 พระอาจารย์สุชาติไลฟ์ห้าอยเก้าสิบเก้า YouTube พระสุชาติไลฟ์สารอยสิบห้า YouTube ดรวีแชนเนล7จ็ดสิบห้าวิทยุออนไลน์สิบสี่คลับฮาส์สผู้รับฟังหน้ากุฏิเก้าสิบสามรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกครับวันนี้อินเทอร์เน็ตก็เป็นอนิจจามันกันอนิจจังทุกขังแลนัาตามกันไม่แน่นอน เกิดเกิดดับดับเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเป็นนิจจังก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยอันนั้นนิจจาก็ยอมรับมันไปแก้ไขปัญหาได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรออทางบ้านก็ไม่ต้องฟังก็แล้วกันทำเฟซบุ๊กได้ข้ามาได้เลยครับทำเฟบุ๊ได้แล้วครับออต้องขออภัยท่านผู้ติดตามทางบ้านด้วย ปรดีนสัญญาณขาดตอนตอนนี้กลับมาแล้วมีคำถามจากทาง y o u t u ู e ครับจากคุณบา ร, รมีระหว่างนั่งสมาธิเงียบๆกับนั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันครับออถ้าปฏิบัติแบบเงียบๆได้จะดีกว่า เพราะว่าจะจะิตจะเข้าลึกกว่าสงบได้มากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีกำลังที่จะนั่งเงียบๆบแบบคนเดียวได้ต้องอาศัยการฟังธรรมไปก่อนก็ใช้การฟังธรรมฟังเสียงธรรมเป็นอารมณ์ก็จะช่วยทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งอต่สู้ความสงบที่เกิดจากการที่เรานั่งพุดโทด้วยดูลมหายใจไปตามลำพังไม่ได้ เบื้องต้นคนที่เริ่มฝึกขาดใหม่ๆยังไม่มีสติยังมีกําลังไม่มากพอไม่สามารถที่จะดูลมได้ไม่สามารถจะพูดโธได้ก็อาศัยการมานั่งฟังธรรมอย่างนี้ธรรมดาถ้านั่งเฉยๆคนเดียวนั่งไม่ได้ชั่วโมงแต่ถ้ามานั่งฟังธรรมนี่มันก็มีอะไรให้ฟังเพลิดเพลินไปแล้วมันก็เลยทําให้ใจไม่อยากจะลุกก็เลยทําให้นั่งได้เป็นชั่วโมงขึ้นมาได้ ในเบื้องต้นถ้าสติเรายังมีกําลังไม่พอที่จะบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแต่สามารถให้มันอยู่กับ ก, บการฟังธรรมได้ก็ฟังธรรมไปก่อนหรือว่าหลังจากที่ฟังธรรมแล้วลองลองนั่งต่อไปดูลองใช้ดูลมหายใจต่อดูว่าจะดูลมต่อไปได้ได้ไหมถ้ามีสติมากๆก็จจะดูลมต่อไปได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องนั่งสมาธิ แต่เราก็ยังต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะการฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้แนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรคำถามต่อไปจากทาง YouTube ดรวจากคุณใบ ย, ยกครับลูกภาวนาปกติธรรมดา ยังไม่ถึงขั้นอะไรเลยเจ้าค่ะใช้คําภาวนาพุโทโธแต่บางครั้งภาพอสุภะก็ปรากฏขึ้นมาเองทำให้ลูกจิตใจไม่สบายและทานข้าวไม่ลงครับต้องทำอย่างไรเพื่อให้ภาพเหล่านั้นหายไปและต้องปรับใจอย่างไรครับคจริงภาพเหล่านั้นมีคนอยากใช้ให้มันโผล่ขึ้นมามากกว่าให้มันหาย เรเห็นแล้วมันจะทําให้เราโปร่งได้แต่ถ้าใจเรายังไม่สบายก็เวลาปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเราไปบังคับให้มันหายไปเองไม่ได้แต่เราอย่าไปให้ความสําคัญกับมันเราก็อยู่กับพุโทโธไปท่องมันหรือสวดมนต์ไปเดี๋ยวภาพมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าไปอยากให้มันหายมันแก็ทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราไปอย่าไปอยากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะ มันจะโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมา mm. แต่ถ้านักปฏิบัติจริงๆนะจะจะชอบให้มันโผล่ขึ้นมาเพราะการเห็นภาพสุภาพนี่มันจะช่วยลดกา ม, มาตัณหาความอยากเสพกามได้ mm. แต่ถ้าเรายังใจยังอ่อนอยู่ mm. ก็ต้องอาศัยพุทธโธพุทธโธเวลามีภาพอะไรต่างๆที่น่ากลัวขึ้นมาก็ไม่ต้องไปกลัวมันมันเป็นเหมือนดูหนังหนังผีนี่ mm. ผีมันไม่กระโดดออกมาจากจอมามาจับเราไปฆ่าหรอก mm. ผีมันอยู่ในจอใจเราก็เป็นเหมือนจอจอโทรทัศน์ภาพที่ปรากฏขึ้นก็เกิดปรากฏในจอใจมันไม่สามารถทำร้ายใจได้นะสิ่งที่จะทำร้ายใจก็คือความกลัวนี่เราต้องเข้มแข็งไม่ต้องกลัวอะไรต้องให้รู้ว่าไม่มีอะไรทำายทำลายเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรในจอของใจนี้ทาลายใจได้แม่ว่าจะเป็นภาพหวาดกลัวขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราใจเราหวั่นไหวก็ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธท่องพุโทโธพุธโทโธไปเราใจเราจะนิ่งใจเราจะเข้มแข็งแล้วเราจะไม่มีความหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราคำถามต่อไปจากคุณโอจิตคนเราแปลเปลี่ยนไปตามบุญและบาปที่เราสร้างขึ้นเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับใช่ทุกครั้งที่เราทำบาปแล้วก็ดึงใจเราให้ลงต่ ให้เป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างแล้วแต่ว่าบาปที่เราทําทําแบบไหนทําด้วยความโลภก็เป็นเปรตทําด้วยความโกรธก็เป็นนรกทําด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานทําด้วยความกลัวก็เป็นอสุสรกายคําถามต่อไปจากคุณนาริตาระหว่างนั่งสมาธิเราเผลอหลับไปแล้วเราสะดุดขึ้นมาเป็นแบบนี้บ่อยๆจะได้บุญไหมครับ ไม่ได้หรอกนั่งสมาธิต้องมีสติตื่นตัวตลอดเวลาถ้าถ้าหลับก็ควรจะเปลี่ยนวิธีจากการนั่งมาเดินสมาธิแทนเดินจงกรมเดินไปพุโทโธไปแลดูเท้าไปเท้าซ้ายเท้าขวาไปจะดีกว่านั่งหลับนั่งหลับซู้ไปนอนดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณฟ้าใสการอยู่เป็นผู้ครองเรือนจะมีโอกาสเข้าถึงความสุข อีกแบบได้ไหมเจ้าคะถ้าได้ต้องเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็เราก็ลองเอาวันใดวันหนึ่งนะท่เช่นวันพระนี่เป็นวันมาหาความสุขจากความสงบแทนที่จะไปหาความสุขความสุขจากแฟนจากคู่ครองของเราวันพ่านเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็มาใช้ศีลสมาธิเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือ แยกอยู่กับแฟนหนึ่งวันไปอยู่กับไปอยู่ที่วัดได้ก็ไปอยู่ที่วัดแฟนอยู่บ้านเราก็ไปอยู่วัดแล้วเราก็ไปฝึกสมาธิรักษาศีนั่งสมาธิเจริญปัญญาเดี๋ยวเราก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งาคำถามจากผู้ฝากถามนาคุติครับต้องมีสมาธิสงบ ท่านไหนถึงสามารถทําวิปัสนาและเมื่อเริ่มทําวิปัสนาแล้วให้เริ่มที่หัวข้ออะไรก่อนดีครับคือสมาธิถ้าที่มีกําลังน้อยมันก็ทํามันก็ทําปัญญาได้น้อยเช่นมีสมาธิอยู่สิเปอร์เซ็นก็จเจริญปัญญาได้แค่สิบเปอร์็ถ้ามีร้อยเต็มร้อยมันก็จเจริญได้เต็มร้อยดงั้น คือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องพยายามทำสมาธิให้เต็มร้อยก่อนแต่ระหว่างที่ยังไม่เต็มร้อยเราเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็สามารถเจริญปัญญาได้แต่ยังจะไม่ได้ผลเต็มที่สิ่งที่เราควรพิจารณาก็สิ่งที่เราครอบครองอยู่ของที่ใดที่เรา ม, มีแล้วเราอาศัยมันอยู่เช่นาอาศัยเงินทองแล้วเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันมีมาได้มันก็มีหมดได้ ฉะ น, นพยายามหาวิธีอ่าไปอาศัยเงินทองหรืออาศัยให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆมาอาศัยการทําใจให้สงบเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าเงินทองไม่เที่ยงยศตําแหน่งไม่เที่ยงการสารรเสริญก็ไม่เที่ยงความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เที่ยงให้พิจารณาของเหล่านี้นอกตัวนอกนอกตัวเราไปก่อนถ้าเราปล่อยราบยศสรรเสริญสุขได้เราก็มาพิจารณาร่างกายเรา ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องไม่อาศัยร่างกายเราก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาอาศัยสมาธิใช้ปัญญาแทนถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้คําถามต่อไปจากคุณมาลี ถ้าเราไม่สวดมนต์แต่เรานั่งสมาธิทุกคืนมีผลดีต่างกันอย่างไรครับก็การสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติการนั่งสมาธิก็เป็นการฝึกฝึกสติเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนบางคนนี่นั่งสมาธิเลยไม่ได้ต้องสวดมนต์ก่อนก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพื่อให้มีสติพอที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้<ม>ถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ หมดแล้วนะบางคนสติยังมีกําลังน้อยนั่งดูลมไม่ได้นั่งพุทโธไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบพอสวดจบแล้วรู้สึกว่าเย็นสบายลองนั่งดูลมต่อไปลองพุทโธต่อไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปเรื่อยๆจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้สองอย่างควบคู่ ก, กันนะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจ จะใช้ดูลมก็ดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมอย่าไปบังคับให้มันหายใจลึกๆหายใจยาวๆไม่ต้องปล่อยให้มันหายใจตามธรรมชาติของมันมันจะหายใจลึกหายใจสัน้นก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราเพียงอาศัยลมเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองอย่าไปบังคับลมเพราะเป็นการกระทํางานของใจ ใจจะไม่สงบเราไม่ต้องการให้ใจทำงานเราต้องการให้ใจรู้เฉยๆให้ใจได้พักผ่อนนี่ยองนอย่าไปควบคุมบังคับลมอย่าไปทำให้มันหายใจลึกหายใจยาวหรือหายใจสั้นปล่อยมันหายใจไปตามธรรมชาติของมันเรามีหน้าที่ให้ใจดูลมเฉยๆเท่านั้นเองเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าเราไม่มีอะไรให้ใจทำเดี๋ยวใจมันก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่พอเรามีงานให้มันทํามันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้มันก็จะดูลมไปลมเข้าก็รู้เข้าดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ตรงจุดที่มันสัมผัสที่ปลายจมูกเท่านั้นอ๋ตอนนี้ลมกลําลังเข้าลมกำ ล, ลังออกรู้แค่นี้แล้วความคิดก็จะน้อยลงไปเบาบางลงไปแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งมันก็จะกึก๊กมันก็จะหยุดกึกเหมือนลดเบรก หรือรวิ่งชนต้นไม้แล้วก็หยุดคลิกลงไปหรือตกลุมตกบ่อมันมีอาการที่มันแปล ก, กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะรู้สึกโล่งเบาสบายนั่นสแสดงว่าจิตเริ่มสงบแล้วถ้เรามีสติก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องวิภากควิจารณ์อะไรทั้งสิ้นจะไปภาคหนังดูหนังเฉยๆไปดูหนังเงียบ อย่าไปใช้ความคิดว่าอเอ้ยตอนนี้เราเป็นขั้นไหนแล้วถึงขั้นไหนแล้วเป็นเนี่ยอุปจาระเป็นคณิกะหรือเป็นอะไรอย่าไปวิภากวิจารณ์เวลาทําสมาธิไม่ให้วิภาควิจารณ์ไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆไปอย่างเดียวหมนแล้วแหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมอัออนนี้ให้ถามนะพอเลิกแล้วเด็กจะเข้ามาถามมันถามไม่ได้เพราะหมด หมดเสียงอะ่ะเสียงมันไม่ค่อยมีตอนนี้มันมีไมโครโฟนมันช่วยพอให้พูดได้ยินได้แต่เวลาเลกแล้วพอปิดไมโครโฟนแล้วเสียงมันค่อยไ ม, ไม่อยากจะตะแบเงเสียงไม่ไม่มีแรงที่จะตะแบเงเสียงออกมาเั้นถ้ า, ถ, าถ้าอยากจะถามขอให้เชิญถามได้ในตอนนี้นะมีเข้ามาอีกไหมยังไม่มีนะถ้าไม่มีก็อ่ใครเชิญเข้ามาเดี๋ยวมาไมโครโฟนไปพูดผ่านไมโครโฟน คุยกล้ๆปากอยากจะได้จ้ะค่ะราบขอความเมตตาพระอาจารย์จ้ะค่ะมยมอยากถามว่าถ้าเมื่อปัดบัติแล้วเอถึงจุดที่ลมหายใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้อะค่ะหรือเมื่อผู้รู้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอ๋อไม่หรอกมันตอนนี้เรามองไม่เห็นผู้รู้เพราะผู้รู้ไปอยู่กับความคิดเนี่ย พ อ, อเราอยู่ควางคิดแล้วผู้ความคิดหายไปก็เหลือแต่ผู้รู้ท่านเราก็รู้เฉยๆผู้รู้ก็สบายเพราะที่ทําให้ใจไม่ผู้รู้ไม่สบายก็คือความคิดนี่ก็ไปคิดเรื่องเนี้เรื่องนี้แล้วก็ทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากอะต่าง ๆ, ๆ, ๆ <c oughs> ขึ้นมาพอเราอยู่ควางคิดได้ใจก็นิ่งสบายมีความสุขแล้วก็อยู่กับผู้รู้ไปเร <ไป S 1> ื่อยให้อยู่กับความนิ่งไปคอยดูว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดลงถ้าไม่คิดก็รู้เฉยๆัน อยู่กับความว่างว่างจากความคิดไปอย่างนี้แล้วเร า, เ ร, าเรียกว่าเราจะเจริญปัญญาได้ไหมเจ้าคะยังยังตอนนี้ทําสมาธิให้มันนั่งให้มันนิ่งนานๆให้มันสงบนานๆแล้วทําบ่อยๆทําให้มันชํานาญเข้าออกได้ทุกเวลาออกจากสมาธิมันแล้วก็เจริญสติต่อพุทโธต่อคอยควบคุมความคิดต่อไปจนเราสามารถมีความชํานาญในสติในสมาธิก่อน หลังจากนั้นเราถึงจะค่อยไปทางปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเราก็ใช้สติสอนใจให้คิดทำอนิจจังทุกขังอนัตตาส<ม>อนให้เรามองเห็นทุกอย่างให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเราจะได้ไม่มีภาพอยากไม่มีความยึดติดในสิ่งาตา่างถามอีกท่านหนึง่ง กาพกาพ้าจางค่ะถามต่อจากพี่คนนี้ค่ะถ้าเราอยู่ในความว่างอย่างนั้นตลอดเวลาออกมามันก็ยังสบายสบาก็ ร, รักษา<อ>ควา ม, มาว่างไว้เรื่ยๆค่ ะ, ะสติอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าเราไม่คิดบ่อยๆอย่างนี้กิเลสมันจะหายไปได้ไหมคะ่ะหายช่วงคราวไงช่วงที่มันไม่คิดพอมันคิดมันก็จะกลับมาโลกโกรธลงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาก็พิจารณาตายรักเลยพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่ใช er. so so, <int ưới> so okay, ่ของเราที่เราควบคุมบังคับได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้กิเลสก็จะหายแบบถาวรได้ปัญญาเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็จะไม่อยากได้สมมุติว่าเราไม่อยากจะมาเกิดแบบนี้ไม่อยากจะมาเห็นความลําบากของสิ่งเหล่านี้เราก็หยุดความอยากเพราะความอยากมันพาเรามาเกิดพอเราหยุดความอยากแล้วเราก็ไม่กลับมาเกิดอีก พระอาจารย์คะแล้วจะตัดยังไงตอนหนูเด็กๆหรือจนเป็นวัยรุ่นนะคะเห็นผู้คนเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ผู้ชายเนี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ติดว่าเราชอบแบบนั้นแต่แ ต, แต่มันก็ยังเผือไปมีสามีได้ค่ะก็เห็นยังไม่เห็นเราสุภาพค่ะต้องพิจารณาสุภาพมากๆเห็นตับไตไส้ตุงเห็นคลองกระดูกของคนหเห็นว่ามันความสวยงามของร่างกายก็จะถูกทําลายไปอยากจะไปนอนกับโครงก็ดูกไหม มันจะนสร้างสมได้คืนี้แต่แต่ตอนนี้ก็จริงๆก็คือไม่ได้ชอบแต่แต่ยังยึดติดกับแบบสมมติว่าเออระลึกชาติได้เจอคนที่เรารู้จักต้องมองให้เขาเป็นนสุภาพไปต้อเห็นนสุภาพของเขาคจะเป็นใครก็ตามเป็นดาราเป็นภาพยนตร์เป็นนางงาม เ, เห็นให้เหนสุภาพไป เพราะว่าเหมือนไม่ได้ยุบยึดที่รูปหน้าตาค่ะแต่เป็นยึดเสียงยึดคำพูไม่หรอกมันยึดหน้าตาก่อนเสียงดีไงถ้านหน้าตาขี้เหล่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ <Okay. S 2> ถ้าเป็นซากศพไม่มีใครเข้าใกล้หรอกนะมองใค่เห็นซากศพเราจะไม่เข้าใกล้จ่ดีไงก็ไม่เอาเพรานั้ น, นะค่<น>ะข <Okay. S 2> ี้เหล่มันหลอกแล้วยึดความดีของเขายึดนี้ไม่จริงหรอกยึดรูปของเขามากกว่าโอเค ถ้าเกิดก็พี่กรณี่การไปบางทีทิ้งกันเลยเลือกกันเลยดีไงก็ไม่เอาแม้ว่ารูปตอนนี้ก็ไม่ได้หลอแล้วแก่แล้วอะไรนี้ก็ไม่ได้ยืดและค่ะพระอาจารย์ก็ยังไม่เห็นสุภาพของอเขาอยู่เลยนองความดีของเขาอยู่ค่ะ อาจารย์นะค่ะเจ้คาค่ะโอเคต้องฝึกอัศวะเยอะๆค<า>่ะขอบพระคุณค่ะพร้นหนังหนังสือกายากตาสติมีภาพ <ขา S 1> อัศวะค่ะ <ขา S 1> ดูด แ, ลดแล้วดูจนเฉยๆแล้วค่ะดูจนเฉยๆมันเฉยๆตอนนี้เวลาไ่เห็นของเปเห็นคนที่ถูกใจมันจะไม่เฉยเลยต้องทาต้องเอาภาพสุภาะมาทักเคยเห็นวีดีโอที่เขาถ่ายผ่าตัดต่างประเทศถึงเวลาจาต้องเอามาใช้มันตอนนี้เห็นมันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเราเห็นตอนที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาอย เกิด okay. เวลารักใครขึ้นมาเรื่องเอาภาพของเขาภาพเห่า น, นี้มาให้หนนะแล้วก็ทั้งหมดกําลังก็เข้าไปนั่งสมาธิลึกๆใหม่เหมือนเดิมมันก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าเข้าสมาธิไปได้เห็นเรื่อถ้าเห็นแต่สุภาพไม่ต้องเข้าสมาธิโอเคค่ะ <Okay. S 1> มันจะหยุดความอยากมันก็สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิได้เพราะว่าหนูหยุดจิตได้แบบกึ๊บแบบไม่ต้องคิดได้ทันทีอะค่ะอ่านี่ต้องมาดูสุภาพให้ได้เห็นได้ให้เห็นทันทีเวลาต้องกาให้ค่ะ โอเคขอบพระคุณค่ะพอาจารย์ อ, อ, อีกคนนึงข้างหลังขอการพื้นฐามพระอาจารย์ครับอวิญญาณในในขันห้ากับผู้คิดผู้รู้นี่คือตัวเดียวกันไหมครับก็ลัตตัวกันวิญญาณในขันห้าอยู่ในใ น, ในตัวผู้คิดผู้รู้อีกทีนึงเป็นส่วนประกอบของผู้คิดผู้รู้ที่เราเรียกว่าใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่มันตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้ว ตัวคิดตัวรู้รู้ใจนี้เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแต่ในดวงวิญญาณจะมีนามขันจีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในดวงวิญญาณทําหน้าที่ต่างๆกันวิญญาณทําหน้าที่เชื่อมจิตให้ติดกับร่างกายเชื่อมต่อเหมือนสัญญาอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่องต่อเครื่องนั่นคือหน้าที่ของวิญญาณในขันห้าวิญญาณในนามขันแต่มันอยู่ในในตัวในตัวจิตอีกทีหนึ่ง ตัวจิตเป็นตัวรู้แล้วในตัวรู้นี่มีมีมีตัวทาหน้าที่ให้สี่ตัวความรู้สึกนึกคิดวิทนารู้สึกความคิดสังขารสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็วิญญาผู้ที่เชื่อมต่อร่างกายกับกับจิตใจเชื่อมใจให้ไปติดกับร่างกายเวลาไปเกิดใหม่ต้องใช้ตัววิญญาณนี้ไปไปไปติดกับร่างกายที่อยู่ในท้องแม่แล้วต่อไปเวลาออกจากท้องแม่ก็ใช้ ใช้ร่างกายนี้ไปรับรูปเสียงกินรถแล้วก็ส่งมาทางวิญญาณให้เจ็ดได้รับรู้อีกทีว่าจ ะ, ะถ้าเราพราราัฒนาแล้วทีนี้ตอนแรกถ้าเราเริ่มต้นคือเรายัางยังจับลมไม่ไม่ถนัดแต่ว่าเราใช้พุโทโธในการสังเกตลมของเราก่อนได้ใช่ไหมครับไม่ต้องใช้ลมเลยก็ได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวเลยก็ได้อยู่กับพุโทโธไป พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนลมได้ไม่ต้องใช้ซองทัง้งสองอย่างให้ลาบากให้วุ่นวาแต่จะใช้สองอย่างก็ได้พุทเข้าโทรออกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดครับคุณครับคำถามจากคุณเมตตาธรรม เ, เพราะเหตุใดถึงทำให้เราไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานครับเพราะสติเรามีกำลังน้อยใจเราไม่มีตัวบังคับให้มันอยู่เฉยๆมันชอบคิดชอบไปนู่นมานี่พอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นราพอเกิดความอยากก็เกิดความเครียดนั่งไม่ได้ดงั้นต้องฝึกสติให้มากาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะสติแล้วก็สัมปชัญญะ สัมปัชัญญค็คือสติต่อเนื่องสติไม่เผลอไม่หยุดไม่ทําไม่หยุดทํางานทําอย่างต่อเนื่องเรียกวสัมปัชัญญะถ้าใหม่ๆมันจะเป็นสติแบบล้มลุกคลุกขานตั้งได้ป๊อปแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นสัมปัชัญญามันก็จะไม่หายเหมือนเด็กที่ยืนได้เดินไดไ้ไม่ล้มไม่ล้มอีกต่อไปอยังพยายามฝึกสติให้มากๆสติมากเท่าไหร่ก็จะนั่งสมาธิได้นานเข้าได้ง่ายได้เร็ว คำถามต่อไปจากคุณกุศรินลูกนั่งสมาธิยังไม่เป็นแต่ชอบสวดมนต์ต้องทําอย่างไรครับก็ถ้าสวดมนต์ถ้าใช้หนังสือดูก็ท่องจําไว้ก่อนก็ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเปิดหนังสือดูสวดแบบหลับตาก็เหมือนกับนั่งสมาธิสวดมนต์ไปหลับตาแล้วก็ท่องไปในใจไม่ต้องออกเสียงเบริ่งต้นถ้าเรายังจําไม่ได้ก็เปิดหนังสือท่องจําไปก่อนสวดออกเสียงไปก่อน ต่อไปพอเราจําได้เราสามารถท่องในใจได้ก็ไม่ต้องนั่งออกเสียงนั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดมนไปหลับตาสวดมนไปก็เป็นการทําสมาธิในเบื้องต้นนะคําถามต่อไปจากคุณจูดีทําไมทําแต่ความดีถึงเจอแต่เรื่องแย่ๆครับเพราะว่าเวลาทำเรื่องเรื่องไม่ดีเราจําไม่ได้จํำแต่เรื่องที่เราทําดีพอผลของเรื่องการจะทําไม่ดีโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปโทษว่าเราทำดีแล้ว เ, เจอแต่ของแย่ๆ เวลาทําไม่ดีเรามักจะทําลืมไปจําไม่ได้บางทีทําทําดีๆได้ครั้งสองครั้งโอคิดไปจนมันตายเราทําดียเยอะแยะแต่ผลความดีมันยังไม่เกิดเมื่อกเกิดไปแล้วเราก็จําไม่ได้ครับงั้นยอมรับเถิดว่าเวลาเวลาผลไม่ดีเกิดขึ้นมันเกิดจากการทําไม่ดีของเราแต่พยายามทําความดีต่อไปอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วผลบางทีมันไม่เกิดทันทีทันใด ความดีหรือความชั่วบางอย่างมันอาจจะรอพบหน้าชาติหน้าถึงจะค่อยเกิดก็ได้ mm hmm. ที่มันจะเกิดตอนนี้ก็คือในใจเราเวลาทําความดีใจเราจะมีสุขเวลาเราใจใจทําไม่ดีใจเราจะจะมีทุกข์ให้ดูตรงผลตรงนี้แต่เรื่องผลทางอื่นรางวัลอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้พบนี้ชา้านี้ทำไปจนตายก็ไม่มีค่าให้รางวัลก็ได้แต่เรื น, นี้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นผลโดยตรง ผลด้วยตรงที่เราได้รับก็คือจากการทำความดีก็คือความสุขใจตายไปความสุขใจนี้ก็จะทำใจให้ของเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณอายอาการขนลุกที่เกิดจากการที่นั่งสมาธิเกิดขึ้นจากอะไรครับก็เป็นเรื่องปกติเวลาใจไปสัมผัสกับลไรที่มันเพิ่มปิติมันก็เกิดขนลุกขึ้นมาได้ที่มันประทับใจขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณสิริการกรณีที่เราสวดมนต์บทใดบทหนึ่งอยู่แล้วมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับก็พยายามสวดต่อไปถ้าสวดไ ด, ได้ต้องพยายามสวดต่อไปถ้าไม่สวดอาการมันจะเกิดรุนแรงขึ้นเสียได้ซ้ําไปงั้นอย่าหยุดสวดหรืจะสวดสั้นๆเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้ ใ, ให้พยายามติดอยู่อาการสวดไป แล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองคำถามต่อไปจากคุณลักษนาถ้าเราเปิดเทปธรรมะให้สามีฟังและเกิดอาการหงุดหงิดต้องแก้ไขอย่างไรครับใครเกิดอาการหงุดหงิดคนฟังเหรอคนฟังครับไปเอ า, อาไปปลอยเขาฟังเลยสแสดงเขาไม่อยากจะฟังเปิดเพลงให้เขาฟังเลยถามพี่อยากจะฟังอะไรอยากไปเปิดในของนี้เขาไม่ชอบฟังเขาก็หงุดหงิดขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณแพรดาเวลาที่นั่งสมาธิแล้วเสียงรอบข้างดับไปเข้าสมาธิเราสามารถแผ่เมตตาได้เลยไหมครับเราไม่แผ่หรอการ น, นั่งสมาธินี้ไม่ได้เป็นการใช้เพื่ อ, อแผ่แผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องรอเวลาเราเจอกันเวลาเจอพบหน้ากันก็ทักทายกันสวัสดีค่ะสบายดีดหรือคะอันนี้เรียกแผ่เมตตาไม่ใช่ไปแผ่ในสมาธิ สมาธิไม่ใช่เป็นที่แผ่เมตตาหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมคงไม่มีแล้วนะถามมีเข้ามาอีกเจาจังคะตัดนมัสการคะ่ะยังเวลาท่านถ้าถ้าเราออกมาแล้วเรามีสติบางทีเราเห็น ไม่รู้ว่าคิดหรือเห็นที่เป็นอสุภาสหรือเห็นเป็นโครงกระดูกก็ไม่เป็นไรเห็นก็เห็นค้าเป็นไมคะถ้คิดก็ได้ไม่เห็นก็ได้คิดหรือไม่คิดก็ไม่สำคัญคำว่าเห็นหรือไม่เห็นนั่นเองให้เห็นก็พยายามให้มันเห็นนานๆให้มันจดจำให้ได้เพื่อเวลาที่เราจะเกิดการอารมณ์เราก็จะใช้ภาพอสุภัสดับมันได้อีกหนึ่งคถามครับ คำถามจากคุณอายเวลาที่นั่งสมาธิแล้วน้ำมูกไหลครับเกิดจากอะไรแล้วก็เวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเกิดขนลุกขึ้นเกิดจากอะไรครับมันจะเกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้จากวิธีปฏิบัติเพราะะฉน้ำมูกไหลก็หลังน้ำมูกไปเลยเช่นเช่นมันเวลาที่เกิดอะไร รู้สึกขนลูกซ่าก็ให้รู้เฉยๆไปถ้ามันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ก็ไม่เป็นไรถ้ามันทำให้เราทุกข์เราก็พุโทโธพุโทโธไปตอนนะี้พอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ยงยิ่ยงขึ้นไปเทิ Turn.